มารับถึงที่ง่า ย, ง า, ยายสบายตอนนี้เขาลองใช้ฟรีตั้ง4ี่ครั้งด้วยนะแค่ใส่รหัสฟรีแกร็โอ้โหงั้นต้องรีบโหลดรีบลองใช้กับเขาบ้างแล้วละ่ะไม่ว่าจะไปไหนก็อย่าลืมใช้แกร็นะครับ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 น, นี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุ ณ, ณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันถาสถา ท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทัางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเรานําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้นี่คงตามเกี่ยวกับเรื่องของการลึกตั้งล่ะครับนะจากการเปิดเผยของนายวิษณุเครือ ง, งามรองนายดนตรี วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาพูดถึงกระบวนการที่จะมีการสรรหาสอวเพราะช่วงนี้นี่เข้าสู่กระบวนการสรรหาสอวอแล้วนะครับนะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งรองนายยงตรีก็บอกว่ามีกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คือเป็นโดยตำแหน่งจํานวน6คนก็คือผู้นําเหล่าทัพแล้วก็ผู้นํา นะตำรวจน่แหละครับนะก็มีมีอยู่6ท่านนะกลุ่มที่2นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่คณะกรรมการเลือกตั้งกรกตนะดำเนินการสรรหานะโดยจะคัดเลือกจาก10อาชีพนะครับมีการคัดเลือกกันเองเราในระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ส่งมาให้ระดับประเทศนะจำนวน200คนนะซึ่งแล้วก็จะส่งให้คอสชอคัดเลือก เหลืออยู่50คนนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่กระบวนการรับสมัครของกลุ่มที่2นี่กรกรตรับสมัครจนถึงวันที่16ธันวาคมรองนายรองนายตรีว่ายอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการคอสอชอก็จะมีการคัดเลือกให้เหลือ50ค น, นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสอสในวันที่24กลุ่กุมภาพันธ์ปีหน้านครับปี2อ6 2 ส่วนประเภทที่3มนี่ก็มีจำนวน194คนก็มาจากคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งคอสชอตั้งขึ้นนะครับคณะกรรมการคัดเลือกนี่ก็จะมีการคัดเลือกสวนะให้ได้194คนนะเพราะฉะนั้นก็รวมกันกว่าสอเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นจํานวนของสวนะครับให้ได้จํานวนนะครับนะของในส่วนของสว เพื่อที่จะเข้าไปทำงานร่วมกับสสคืสอสสนี่ก็มาจากการาเลือกตั้งนะครับนะของในส่วนของสมาชิกอยู่แล้วนะครับนะตองมีการเลือกตั้งกันาจากประชาชนทั่วประเทศซึ่งส ส, สนี่มีอยู่2องระบบคือระบบเขตและก็ระบบบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องอจับตามองเหมือนกันนะครับส่วนภารกิจของนายกบัญรี นะครับนายงตรีเนี่เดินทางไปในประชุมความร่วมมือร่มน้ําโขงกับญี่ปุ่นนะที่ประเทศญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวนะครับซึ่งนะตรงนี้ในในส่วนของนายยงตรีพลเ อ, อกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าไปร่วมประชุมกรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงครั้งที่10นะครับซึ่งนะก็มีการหาลือกับในส่วนของสมาคมมิตรภาพ รัฐบาลญี่ปุ่นแม่น้ำโขงนะเกี่ยวกับเรื่องกอบความร่วมมือนะครับซึ่งโยกกะบอกว่าไทยพร้อมสนับสนุนความร่วมมือของอนุกรรมการภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเชื่อมโยงสร้างประชาคมนะครับของลุ่มน้ําโขงก็คือลุ่มน้ำโขงเนี่ยสีหประเทศที่อยู่ลุ่มน้ําโขงนะครับนะก็รวมทั้งพมา่าด้วยนะครับมีพ ม, ม่ามี ลาวไทยเวียดนามนะกัมพูชานะครับนะ แ, ลแล้วก็โดยให้ประชาชนนี่เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมนะครับรองรับยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวปีคิสศสอั2018น2018ดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของกรอบความร่วมมือแล้วก็นอกจากนั้นนี่ก็ยังนะมี การสัมมานาการลงทุนลุ่มน้ำโคลงนะกับญี่ปุ่นนะโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าเราเรียกว่าเจทรนะครับซึ่งตรงนี้นะี่ก็บอกว่าไทยเรานี่จะพัฒนาอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกนะับญี่ปุ่นหรือกับอาหรับประเทศนะครับเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งก็เชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นเนะี่ยมาลงทุนนะใน ก ล, กลุ่มเขตนิคมอุตสาหกรรมของไทยนะครับเขาเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของเรานะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็นักลงทุนญี่ปุ่นนี่สนใจนะครับที่จะมาลงทุนในในเขตภาคตะวันออกของเรานะครับก็เป็นภารกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของการไปไปดึงนักลงทุนจากญี่ปุ่นนะมามาร่วมลงทุนในใ น, ในประเทศเรานะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจล้วครับถ้า ถ้ามีนักลงทุนนะเข้ามานะครับในเขตเศรษฐกิจนะพิเศษภาคตอนออกหรือหลายๆแห่งที่ทีรัฐเคยรเริ่มไปก็จะเกิดาการจ้างงานนะครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้กเกษตรกิจนีกระเตื้องขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้นี่เราอาศัยเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะเป็นประเด็นหลักที่พยุงเศรษฐกิจเราอยู่เพราะว่าในเศรษฐกิจในภาคอื่นรนะวม โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการเกษตรราคาผลิตการเกษตรนี่ค่อนข้างที่จ ะ, ะตกต่ำยางยั ง, ยงไม่ได้ยังไม่ได้ราคาที่สูงมากทำให้เศรษฐกิจ ใ, ในภาคชนบทนี่ก็ยังย่ำแย่อยู่ถึงแม้ว่าในในภาค อ, อุตสาหกรรมในในขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะเติบโตแต่ว่าในในระดับฐานลากนี่ยังย่าแย่เพราะต้องลงไปช่วยนะครับตรงนี้นะถ้าทามีกการลงทุนกันเข้ามานะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามชายแดนที่เราวังเป้าหมายไว้นะครับก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับนะก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็ยังก็ยังในหลายๆเขตนะตามตะเข็บชายแดนนี่ก็ยังยังซบเซาอยู่เราก็หวังเม็ดเงินกนะารลงทุนนะจากญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีะครับถ้ามารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อไปครับ ไปเสือ ที่อยู่หลังสวนหอมอบคุ่นด้วยมวลดอกไม้ฝากความรักและความห่วงใย นั้นแสงห่วงใหญ่ไกล ับมาพูดมาคุยกันต่อไปนะครับในในช่วงนีใน้ในส่วนของอมีความเคลื่อนไหวที่รัฐจะลงไปช่วยเหลือชาวไร่อ้อยนะครับนะซึ่งซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับของของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคอรมอรนี่อนุมัติงบกลางประมาณ 6,500 ล้านนะฮะให้ให้รัฐบาลนี่อุ้มชาวไร่อ้อยจำนวน 340,000 ส่นรายะครับซึ่ง ตรงนี้นี่ร า, าคาน้ำตาลในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะตกต่ำก็กระทบมาถึงไทยก็คือราคาอ้อยก็จะได้ราคาไม่สูงเพราะฉะนั้นก็จะอเอาเงินเข้าไปช่วยเหลือนะซื้อปัจจัยการผลิตพร้อมทั้งมีเงินในระบบจากาโรงงานของอ้อยเนี่ยมาสมทบอีกประมาณา9 0 0ากว่าล้านนะครับนะก็รวมที่จะ ให้ค่าชดเชยกับชาวไร่อ้อยเนี่ย1้อยบาทต่อตั น, นไม่เกินรายละ 5,000 ตันนะซึ่งตรงนี้นี่นจากการเปิดเผยของนายอุตมะเสวายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็บอกว่าคณะมตนตรีอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะเพื่อให้จะซื้อจัดปัจจัยการผลิตนะในปีฤดูการผลิต25งพถึง 6กกนี่แหละครับนะก็ทุ่มเงินไประมาณ5 6 0 0ล้านนะก็นำมาช่วยเหลือจ่ายให้ชาวไร่อ้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็จะทำให้ในส่วนของชาวไร่อ้อยนี้นำไปไปซื้อปัจจัยการผลิตไปลงทุนไปอะไรต่างๆจริงๆแล้วอ้อยนี่ก็เป็นเป็นุตสาหกรรมที่มีเกษต ร, รกรนี่เข้าร่วมนะครับเป็นลักษณะของ contact farming นั่นคือ มีมีโคต้ากับทางโรงงานนะครับแล้วก็ทางโรงงานก็จ ะ, ะมีมีการรับซื้อมีการประกันราคากันชัดเจนนะครับว่าจะซื้อกันตันละเท่าไหร่อะไรต่างๆแล้วก็ชาวไร่ขาดเหลือก็จะไปเบิกทั้งในส่วนของปุ๋ยเคมีพันุอ้อยหรือน้ายายาเคมีต่างต่างนี่ก็เบิกจากโรงงานนะครับแลนะมีการหักจ่ายกันนะครับเพราะฉะนี้ตรงนี้นี่ก็จะเห็นว่าเกษตรกรในหลายจังหวัดเนี่ยอยู่ใน เครือข่ายเป็นชาวไร่อ้อยกันนะครับนะพอเปลี่ยนจากปลูกข้าวมาเป็นปลูกอ้อยกันนะ ก, ก็หลายหลายจังหวัด น, นะครับแถวภาคอีสานแถวภาคกลางนะก็มีมีกันนะเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้นี่ก็เป็ น, เ ป, นเป็นพืชตัวหนึ่งนะครับที่ที่ส่งผลนะครับจากอ้อยแล้วก็คงมาเป็นเป็นข้าวนะข้าวนี่ก็เห็นว่าจะมีการให้เงินชดเชยเหมือนกันนะครับนะแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านนะี่หันมาปลูกข้าวโพดแทน แทนปลูกข้าวนะครับซึ่งก็ทําไดใ้ในบางพื้นที่แะครับนะแต่บางพื้นที่ในชาวบ้านก็ยั ง, ย, งยังยืนยันว่าจะปลูกข้าวกันนะเพราะว่าชินกับนะเรื่องของการปลูกข้าวเพราะฉะนั้นในตรงนี้คงต้องหาวิธีที่จะมีการนะนะยกระดับนะครับให้ราคาข้าวสูงขึ้นอย่างไรนะจะต้องมีมาตรการเข้ามานะครับนะทั้งเกี่ยวกับเรื่องประกันนะยุ่งฉางและมีชดเชยให้กับ ชาวนามากนะครับนะอาจจะต้องหาวิธีอื่นนะครับที่ที่มาช่วยเหลือชาว<ม>ไรชาวไร่ชาวนาหรือหาตลาดใหม่ๆคือตลาดข้าวในตอนนี้ตลาดใหม่ๆนี่ก็อยู่แถวแถวทวีปแอฟริกาแต่วันออกกลางแหะครับถ้าเรามีตลาดข้าวใหม่ๆขึ้นมาก็จะทําให้การส่งออกดีขึ้นก็จะขยับราคาเหมือนกันนะ ซ, ซึ่งก็ต้องดูในส่วนนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านนี่ก็ยังปลูก ปูกข้าวกันจํานวนมากเลยทีเดียวรวมทั้งยางพารานะครับซึ่งตรงนี้นี่มีการส่งเสริมว่าจะเอาอยางพารานี่มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมทั้งทำม า, มาทําถนนด้วยนะครับเอาเอาอยางพารานี่มามาผสมนะครับนในส่วนของอะยาวัสดุอย่างอื่นแล้วก็มาปูลาดถนนซึ่งอยู่ในช่วงของการวิจัยกันอยู่นะถ้ า, ามาทาอย่างอื่นได้ราคาก็จะขยับสูงขึ้น คื อ, อยางพาราเรานี่ตลาดใหญ่ที่รับซื้อจากเราก็คงจะเป็นจีนนะครับนะเป็นจีนเป็นประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสหภาพยุโรปอเมริกาเขาไปทำยางรถยนต์เละครับนะที่ที่เรามาวิ่งกันอยู่เพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี่คงจะต้องมีมาตรการนะรัฐจะต้องมีมาตรการมาส่งเสริมพืชเศรษฐกิจเหล่านี้นะครับนะเพื่อที่จะให้ใหฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องของอยางพารานะครับนะแล้วก็ อาจจะต้องมีการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานกันกันมากซึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมก่อสร้างนี่ก็เป็นเป็นตัวหนึ่งนะครับนะซึ่งถ้ากระตุ้นให้มีการก่อสร้างมีอะไรต่างๆขึ้นมานก็จะมีการใช้แรงงานนะครับนะการขึ้นมาก็จะทําให้เรื่องของ เกษตรกิจเนี่ค่อนข้างที่จะไหลเวียนจะมีหลายหายส่ว น, นมีการรัฐนี่มีการเตรียมลงทุนที่จะมีการทํารถไฟรางคู่นะครับรมทั้งรถไฟความเร็วปานกลางกันขึ้นมาหลายๆเส้นเริ่มที่จะมีการก่อสร้างนะครับกันกันขึ้นมาแล้วนี่อาจจะต้องมีการเจรจานะอย่างเช่นกับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มเศรษฐกิจของเจเนี่ย จ, จะต้องบอกว่ามี ให้มีการจ้างแรงงานจากชาวบ้านแรงงานจากคนไทยก็จะถ้าทําได้นี่ก็จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีมีงานทำนะครับตามเส้นทางที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่นะซึ่งก็เห็นบอกว่าจะมีการตัดกันในลหลายๆสายนะครับในภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางเนี่ยนะครับรวมทั้งกนะ ร, รุงเทพมหานครใ น, ในช่วงปีหน้านี่มีการทํากันมาหลายหลายสายเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูในช่วงนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหว ในส่วนของการเตรียมที่จะมีการสมัครและก็มีการสรรหาสวเราก็จะเห็นมีความคึกคักกันนะครับในเฉพาะในส่วนของการคัดเลือกสอวในระดับอำเภอ ร, ระดับจังหวัดที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนีลงไปไปสมัครไปคัดเลือกในกลุ่ม10สาขาอาชีพนะครับนะท่านที่สนใจนี่ก็ไปสมัครไปดูรายละเอียดได้ที่กรกต นะเพราะจะให้ในส่วนของกลุ่มอาชีพนี่มามาเลือกกันเองนะใ น, ในแต่ละอําเภอรวมทั้งในระดับจังหวัดนะก่อนที่จะรวบรวม ร, วมรวมายชื่อเสนอไปที่ส่วนกลางนะครับนะให้ส่วนกลางนี้คัดเหลือ50คนนะครก็เป็นช่องทางหนึ่งสําหรับท่านที่ต้องการที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนนะครับนะของของประชาชนของชาวบ้านส่วนอีกทางหนึ่งก็คงคงจะเป็น ในส่วนของพรรคการเมืองละครับนะที่ไปสมัครเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สมัครนะของของพรรคการเมืองนะซึ่งก็กําลังที่จะมีการเปิดรับสมัครนะระดมสมองกันอยู่นะครับก็ไปสมัครสสในระบบเขตนะซึ่งก็กําลังมีการดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งนะกันนะครับตัวเลขสอสของแต่ละจังหวัดนี่ออกมาชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่ากําลังดําเนินการแบ่งเขตนะครับก็เป็นระบบเขตเลือกตั้งซึ่ง ก็ไปสมัครได้เหมือนกันนะแต่ละพักที่ที่ในส่วนของพี่น้องประชาชนาสนใจพักไหนก็สามารถที่จะไปสมัครดูนโยบายแล้วครับถ้าเร า, าถูกต้องเราชอบนโยบายไหนนะครับเพราะฉะนั้นพักการเมืองช่วงนี้ก็เริ่มมีการเสนอนโยบายาการออกมานะครับว่าจะมีแนวทางในการที่จะมาพัฒนามาฟื้นฟูนะครับประเทศชาติกันอย่างไรเนี่ยเราก็จะเห็น ตามหน้าซึ่ง ต, ต่างๆก็คงจะต้องติดตามดูนะครับเรากำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสร้งเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันล ด, ดละเลือกสูบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดิ์กุลธนานต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ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 Time.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 วทางเคียงข้างเสมอใจดวงเดียวรักจริงแต่เธอไม่ยอมให้เปิเพลิใจแบ่งพันว่อนฟ้าที่ห่มดาวอนสาว เพื่อด้เปลี่ยนใจพี่นี้ยังห่วงใยวันใจชายได้เกี่ยวพัน